อ น, น้มัตการต่างๆถ้าจะพิจารณาความตายเน่าเปือ่อยผุพังเนี่ยครับให้มันลงแก่ใจต้องทํายังไงมั่งครับต่างมพิจารณาความตายเน่าเปือ่อยผุพังก็พิจารณาเห็นความจริงของตัวเรานี่แหละตัวเราเนี่ยมันมีมันก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตายแล้วก็ต้องเน่าเ น, น่าแล้วก็ไปเผาไม่มีใครเอาหรอกเน่าเราไปเผาแล้วก็ผุพังจะลายไปแล้วเป็นกิ่งเท่าตุลีไป เราก็ น, นึกน้อมอย่างเงี้ยนึกน้อมตัวเราเดี๋ยนะนึกน้อมที่ตัวเราเนี่ยเราบวกไปก็ได้อย่างตัวเราตอนนี้มีอายุเท่าไหร่แล้ ว, ล ว, วเราก็บวกไปทีละสิบปีอายุห้าสิบก็บวกไปอีกสิบก็เป็นหกสิบหกสิบมีสภาพเป็นยังไงตัวเรานึกน้อมไม่เห็นว่าตัวเราหกสิบจะมีสภาพเป็นยังไงเจ็ดสิบเจ็ดสิบมีสภาพเป็นยังไงแปดสิบแปสิบมีสภาพเป็นยังไงผมเริ่มงอขาวโค้งหนังเริ่มเหยียวยน่นร่างกายก็ค่อย ค, อย ค, อยคอย่หมดสภาพแปดสิบเก้าสิบเข้าลงแล้ว เจ้ลงแล้วมีสภาพไปยังไงนอนเน่าไปเป่าไฟเป่าเลยกี่เต้าตัวรี้ม่หไม่เหลอรอเลยถ้ายังไม่ยอมตายกันร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเป็นไงไม่ยอมตายก็นร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งตายแน่แนเว้ยคงได้แน่แพอร้อยหนึ่งต้องสายตายแล้วมีสภาพไปยังไงร้อยหนึ่งถ้าจะไม่ยอมตายก็บวกไปทีร้อยสิบร้อยี่สิบร้อยสามสิบที่ตุมต้องยอมตายตายจริงๆเว้ยเราต้องตายจริงๆงตายมีสภาพไปยังไงอย่างนี้ก็ได้หรือ ปีนาไงก็ได้เห็นว่าที่ตุดแล้วเนี่ยมือเพื่อมันสึกความจึดมั่นถือบั่นว่าร่างกายเราเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวตนของเราเล็กน้อมน้อมน้อมน้อมไม่ต่อเนื่องไม่ขาดสายแจงมันจะพวงไปว่าคือคือผมที่ที่ส่งไลน์หลวงตาครับคือผมปกติก็ไม่กล้าถามครับแล้วก็ไม่กล้าให้หลวงตามาจี้แต่ทีนี้เอ่อคือโดยโดยโดยรวมแล้วผมตั้งแต่มาเจอหลวงตาครั้งแรกผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่หลวงตาบอกว่าให้อ่านให้เยอะฟังให้เยอะ เนี่ยครับแล้วก็ผมก็กลับไปผมก็ปรับตัวเองใหม่แก้ไขใหม่แล้วก็ทุกวันนี้ก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับที่ที่สวดมนต์แล้วก็สวดมนต์ตอนเช้านะครับแล้วก็อธิษฐานบอกพุทธองค์ที่สงไรตามกานะเพราะว่าออขอบารมีพุทธองค์ที่ได้กระทามาเนี่ยให้ให้ทำยังไงจะจะจะ จะละจากคนที่เรารักได้ไงครับให้ให้ใ ห, ให้ให้มีแบบนิมิตมาบอกอะไรมั่งเนี้ยครับให้มีหนทางมาลงแก่ใจเงยแล้วก็พอเย็นวันหนึ่งสวดมนต์กันอยู่สองคนแล้วก็มองไปเห็นไท้ายถอยแปนครับมันจะเป็นเหมือนหนังมันแดงๆตรงท้ายถอยครับมันก็เริ่มปุ๊บมันช่วงที่มันเกิดอะแป๊บเดียวนะครับมันปุ๊บเปื่อยเห็นก็หลกแล้วก็เห็นเป็นตายร่รองปุ๊บๆอยเงี้ยผมก็ตกใจครับผมว่า แต่ที่นี้ผมว่าเอา้าถ้าอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราจะอ น, นามาน้อมกับคนรักเราเงี้ยเราจะคือเรารู้ว่าเราเรายึดเขาอยู่เงี้ยครับแต่พอเวลาเอามาน้อมใส่ใจจริงมันไม่ลงแก่ใจครับคุณตาอืมเราขยันน้อมน้อมที่ตัวเราอที่ตัวเขาเราเอาเขามาเปรียบเทียบที่ตัวเร า, เราสุดเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแับเรามันจะไม่ลงแกใจแล้วกันน้อเงี้ยบุมต่างๆก็มีหลวงปู่องค์หนึ่งท่านก็รักอย่างเนี้ย ภรรยาของท่านอย่างนี้เนี่ยวันหนึ่งภรรยาของท่านป่วยป่วยก็ป่วยหนักก็อาบําไม่ได้อาบน้ําสัดผมไม่ได้อาบน้ําตัดผมไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้อาบน้ำตัะผมมาเป็นเดือนเนี่ยตอนนี้ท่านก็เลยอุ้มของภรรยาท่านเนี่ยไปไปนั่งเอ แล้วท่านก็ตักน้ําไปไปต้มน้ําให้ให้อุ่นๆผสมน้าอุ่ น, น, นแล้วก็เอามาลาดเอามาลาดให้มามามาอาบน้ําให้ตอนนี้เนี่ยท่านว่ามันคนเราไม่ได้ไม่ได้อาบน้ําสักาผมมาเป็นเดือนนะคิดดูสิพอน้ําอุ่นลาดราดศีศละลงไปอ่ะแล้วก้กมๆราดอ่ะจมูกมันก็เข้าไปใกล้ๆใกล้ๆทิศละไอที่มันออกมาจาก น้ำอุ่นที่มาลาดโดนทิสซาไปแล้วไอมันขึ้นขานจมูกโอ้โหมันเหม็นหน้าดูเลยอ่ะเหมือนคนที่ไม่ได้อาบน้ํามาเป็นเดือน่แล้วไม่ได้สระผมมาเป็นเดือน่หลงรักกันนะผวเมียหลงรักกันเพอไม่ได้น้าเป็นเดือนเพราะเอาน้นําน้ําอุ่นลาดลาดทิสซาให้นั่ น, นแหละแล้วจมูกมันก็ก้มไปใกล้ๆโอ้ไอไอที่มันขึ้นขึ้นมาเนี่ยเหม็นหน้าดูเลย คนไม่ได้อาบน้ำไม่ได้สระผมเป็นเดือนนะคิดดูเนี่เหม็นโอ้โหเหม็นท่านเลยปรงได้พอภรรยาของท่านหายแล้วท่านเลยไปบวชไปบวชรู้สึกว่าจะบรรลุ ด, ด้วยเน่านี่ล้วลานด้วยก็มาจากนี่เนี่ยลงมาจากความเห็นความสกขภพเนี่ยความยึดถือ